กรู้ทุกข์แล้วมีความสุขขณะที่สติเกิดรู้กายรู้ใจจิตจะมีความสุขขึ้นมาเลยมีความสุขตลอดสายของการปฏิบัตินะถ้าทําถูกถ้าทําผิดแล้วจะทุกข์มากเลยทําไมหลวงพ่อบอกว่าสุดท้ายเห็นทุกข์แล้วหลวงพ่อก็บอกว่ามีความสุขตลอดสายเลยฟังแล้วเหมือนขัดกันนะทันทีที่มีสติเราก็มีความสุขโชยขึ้นมาเคยสัมผัสหรือยังอยู่ๆก็มีความสุขผุดขึ้นมาเฉยๆเพราะอะไรเพราะจิต ที่มันเป็นกุศลมันมีโสมนัสเวทนามีอุเบกขาสเวทนาเรียกว่ากลุ่มของความสุขไม่มีโทมนั์ไม่มีความทุกข์ใจทันทีที่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ก็มีความสุขนะมีความสุขได้ยาวนานมากกว่าสติสติเกิดได้แวบๆบแบบถ้าจิตใจตั้งมัน่นตั้งมั่นต่อเนื่องได้นาน ถ้าจิตใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะรู้สึกมีความสุขเป็นวันๆได้มีความสุขหลายๆวันได้ถ้าเกิดปัญญามีความสุขได้อีกสองสามวันถ้ามีปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะเป็นลำดับลาดับบางทีก็เข้าใจอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นจุดๆเวลาเข้าใจธรรมะจะเข้าใจทีละจุดเหมือนต่อจิ๊กซอในวงเล็บรูปต่อได้มาทีละตัวทีละตัว นาทีสุดท้ายที่จะข้ามพบข้ามชาตินั่นแหละถึงจะเห็นภาพรวมได้ทั้งหมดคือแจ่มแจ้งในอริยสัจได้ทั้งหมดมีปัญญาก็มีความสุขมันอิ่มอกอิ่มใจได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมีวิมุตก็มีความสุขนะจิตหลุดพ้นไปมีความสุขมีความสุขเป็นลำดับลำดับไปแต่ว่าในขณะที่จิตใจมีความสุขเราจะเห็นขันเป็นทุกข์ขนานไปเลยขันนี่ทุกข์ล้นล้วนนะเราจะเห็นแต่ทุกข์ แต่จิตใจที่ไปรู้มีสติสมาธิปัญญาไปรู้ขันห้านั้นมีแต่ความสุขนะประหลาดอย่างนั้นจิตใจของเรากับขันห้ามันแยกส่วนกันทำงานได้ขันห้าเขาก็ทำงานของขันห้าเป็นทุกโดยตัวของมันเองจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปรู้ขันห้ามันไม่ทุกนะมันแยกอยู่ต่างหากฉะนั้นบางคนบอกว่าภาวนาแล้วมีแต่ความสุขล้วน อันนี้มองในด้านของใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนบอกว่าภาวนาแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆอันนี้ก็ถูกต้องอีกนะมองมาจากมุมมองของขันถูกทั้งคู่แหละธรรมะลึกซึ้งนะประนีตค่อยๆเรียนไปมันจะรู้มันจะเข้าใจด้วยตัวเอง